พ่าบังที่ครบคะ่ะท่านได้ปฏิบัติธรรมกันตามสมควรสำหรับการที่ปฏิบัติโดยมีพระอาจารย์นาก็คือตระมาชชาคววรอย่างไรก็ตามในการฟังธรรมนั้นหากจิตของเราเป็นสมาธิแล้วก็จะเกิดประโยชน์ในการฟังมากขึ้นเราก็ดำเนินสมาธินั้นต่อเพื่อที่จะเข้าสู่ช่วงต่อไปที่จะเป็นการตอบคาถามด้วยการนาพุทธวจนะมาให้ความกระจ่าง เปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวจนะจากพระภัย บ, บูลอภิปุนโนคะ่ะกราบน้องส ก, การกระทั้งคะเขื่นบานก็มาถึงช่วงเวลาที่จะได้ความรู้จากท่านเพิ่มเติมเมืม่อวานที่ได้กราบเรียนถามท่านถึงว่าคนดีในความหมายของพุทธวจนะเนี่ยถ้าตั้งสมมติฐานว่าคนทุกคนเป็นคนดีใช่หรือไม่แล้วท่านก็ตอบว่าจริงๆถ้าจิตเดิมนั้นเหมือนกันทุกคนคือมีจิตที่ประพัดสอนอ นะคะทีนี้ก็ยังมีอะไรต่ไม่อะไรอีกเยอะเลยที่เป็นรายละเอียดทราบว่าท่านอยากจะพูดถึงเรื่องนี้เพิ่มเติมด้วยใช่ดิฉันขอกลับเรียนให้ท่านช่วยทบทวนพุททวัจนะที่ฟังแล้วก็รู้สึกว่าเป็นพุท้ทวัจนะที่ซาบซึ้งใจแล้ว อ, อยากจนะนำไปปฏิบัติต่อค่ะท่านคะพระเา ต, ตรัสนี้บอกว่าจิตนี้เป็นธรรมชาติประภัสอนแต่จิตที่มีธรรมชาติประภัสอนนั่นแหละเข้าถึงความเศร้าหมองแล้ว เพราะอุปกิเลสอันเป็นอคตุกะจรมาเรากล่าวว่าปุตุชนผู้ไม่มีการสดับย่อมไม่รู้ชัดตามที่เป็นจริงซึ่งความจริงข้อนั้นเพราะเหตุนั้นจิตตะภาวนาย่อมไม่มีแก่ปุตุชนผู้ไม่มีการสดับจิตนี้เป็นธรรมชาติประพัดสอนแต่จิตที่มีธรรมชาติประพัดสอนนั้นแหลเป็นจิตพวิเศษ จากอุปกิเลสอันเป็นอคนตุกะจอดมานั้นได้เรากล่าวว่าอริยสาวกผู้มีการสดับย่อมรู้ชัดตามที่เป็นจริงซึ่งความจริงข้อนั้นเพราะเหตุนั้นจิตตภาวนาย่อมมีแก่อริยสาวกผู้มีการสดับดังนี้ฟังพุทธวจนะบทนี้แล้วเนี่ยนะต้องการพูด3ามประเด็นประเด็นแรก ที่เราพูดถึงคือจิตประพฤตสอนก่อนใช่ไหมที่เราบอกว่าโอ้เออทุกคนนี่เป็นคนดีมาแต่เดิมอยู่แล้วอันนี้ก็ฟังข้าท่าอยู่ทีนี้ประเด็นที่สองนะที่พระเจ้าพูดถึงอคันตุกะนะกิเลสเนี่ยไปอันคันตุกะจรมานี่ประเด็นที่สองนะส่วนประเด็นที่3ก็คือเรื่องของจิตตภาวนานะอันที่1เราก็พูดไปคร่าวๆแล้วเมื่อวานนี้เนาะส่วนประเด็นที่2ที่พูดถึงอคันตุกะจรมาเนี่ย แล้คุณยมติว๋วรู้ไหมว่าพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยนะเป็นพระอาหารหันต์อาหารหันต์เนี่ยแปลว่าเป็นผู้ไกลาจากกิเลสคือหแปลว่ากิเลสไม่ได้ตายนะแต่กิเลสมันไกลาจากเราสมมติว่าเรานั่งสมาธิเนี่ยนะเวลามีอะไรฟุ้งขึ้นมาเราบอกเออทําไมเา่เอาผ่านไปตรงนั้นเนี่ยหลายๆคนจะเข้าใจว่าอากิเลสออกไปแล้วคือกิเลสตายคือคุณฆากิเลสแต่ไม่ใช่นะพระพุทธเจ้าใช้คําว่าเพียนเผากิเลสเผาเนี่ยเหมือนกระบะแล้วเผาทองให้มันร้อนเนี่ยเพื่อให้อของสกปรกเนี่ยมันออกมาละลายออกมา ใช่ไหมเพราะฉะนั้นความเป็นผู้ไกลจากกิเลสเนี่ยคือกิเลสมันไม่มาโดนเราได้ไกลจากกันคือเราเอามันออกไปมันไม่ได้ตายนะเราไม่ได้ทําปาณาธิบากกับกิเลสนะค่ะอแต่ว่าเราเอาเอามันออกไปนะคือมันจะมาเนี่ยเราห่างจากมันนะอันนี้คือคือข้อที่ที่ประเด็นที่สองเพราะฉะนั้นอคตุกามาเนี่ยเราเราไม่รับอ่ะก็สมมุติเขาเอาของมาให้เราใช่ไหมเราไม่รับอ่ะเขาเขาเอาคืนไปของนั้นก็เป็นของเขาท่านเอง อันนี้อันนี้เราเข้าใจอย่างนี้เพราะว่าจิตของเรามันบริสุทธิ์อยู่เดิมแต่เพราะว่ามันมีการที่ไปพัวพันเกี่ยวข้องตามอํานาจ ข, ของตัณหาที่ต้องไปเกี่ยวยึดพัวพันมัวเมาละก็เลยจึงเป็นปัญหาคะนะ่ะเพราะฉะนั้นแทนที่เราจะไปดูเรื่องกภายนอกนะเราก็มาดูภายในว่าทําไงให้อาคาติทุกา์ที่มันมาเนี่ยมันพูดถึงทิเกเรเนี่ยมันออกไปซะนะค่ะทำยังไงล่ะก็จึงต้องมีข้อประเด็นที่3าตรงที่ว่าจิตตภาวนาไง ประเด็นของพระสูตรเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ว่าจิตประพาส น, นะสิ่งที่สําคัญที่สุดนะคือการทําจิตตภาวนาคือคนที่ไม่รู้ว่าจิตเดิมเรามันเป็นประพสส น, นะแล้วมันห่างไกลจากกิเลสได้นะเขาไม่รู้ตรงนี้เขาจึงไม่ภาวนาจึงไม่ทําจิตตภาวนาพรนะพุทธเจาเน้นตรงนี้เลยบอกว่าคนที่รู้ความลับข้อนี้ว่าเป็นจิตที่ไกลจากกิเลสได้พ้นจากพ้นวิเศษจา ก, กอุปกิเลสได้เนี่ย พอคุณรู้ว่าอ๋อจิตฉันมันมันไม่ดีอยู่นะฉันเปลี่ยนแปลงได้นะไม่ใช่ว่าฉันเกิดในสลามเป็นคนเกิดมาก็ไม่เก่งอะไรเงี้แล้วฉันทําจิตให้ฉันไม่ดีไม่ได้เนี่ยอันนี้คุณไม่ควรคิดถ้าเราคิดได้แล้วว่าเออเราทําดีได้เราทํำปุ๊บจิตตาภาวนาะจะเกิดขึ้นได้อคือมีการพัฒนาจิตได้ค่ะนี่คือประเด็นนะค่ ะ, ะท่านมีอะไรต่อไหมคะถ้าไม่เช่นนั้นดิฉันจะกล่าว<ะ>เรียดนถามก็เลยถก็เลยมาเป็นประเด็นที่สี่ว่าทีนี้ เผื่อว่าเราเจอคนอื่นที่เขาเขาเป็นอย่างนี้นดีบ้างไม่ดีบ้างเนี่ยเราควรจะต้องมาทําการพัฒนาจิตของเราอืตรงนี้ค่ะแล้วทําไมนะคะก็เขาไม่ดีเราก็ไปพัฒนาเขาสิคะเออก็ถ้าเผื่อว่าเราเราพัฒนาเขาได้ไหมก็ก็สามารถทําได้นะคือหมายความว่าถ้าทําได้ก็ได้แต่เราควรจะพัฒนาจิตของเราด้วยนะค่ะอืมคือคือหมายความว่าอย่างผู้รเจ้าของเราเนี่ย ตอนที่เป็นบริ ษ, ษัทอยู่ก็ยังชักชวนมหาชนในการทำกุศลต่างๆอยู่นะก็คือเราจะชักชวนเขาในการสร้างกุศลได้นะเราชักชวนในการที่เขาจะทำจิตตภาวนาได้นแสดงว่ า, าต้องให้เขาทำจิตตภาวนานะคือชักชวนให้เขาทำไม่ได้ทำให้เขาอ่ะท่านคะทีนี้ก็เท่ากับว่าถ้าฟังจากพุทธวจนะบทนี้ทั้งหมดที่ท่านได้พูดมาท่านพูดถึงการที่ คนเนี่ยเดิมมีจิตประพัฒนสอนแต่ถูกกิเลสเป็นอาคันตุกะจรมาห<ช>มายถึงกิเลสก็จึงทําให้อ่าทําให้อะไรนะคะถ้าเป็นภาษาทำให้จิตเศร้าหมองทาให้จิตเศร้าหมอง<ช>แล้วก็เลยทําให้กลายเป็นคนที่คิดไม่ดีพูดไม่ดีทําไม่ดีที่เรียกว่าเป็นคนพาลใช่ไหมคะทีนี้ท่านก็บอกว่าในพุทธวจนะนั้นเนี่ยมีการได้กล่าวถึงเรื่องของถ้าเป็นผู้ที่สดับถูกไหมคะ ผู้<อ>ที่ที่สดับในที่นี้หมายถึงอะไรคะคือผู้ที่ฟังธรร ม, มานั่นเองอ๋อคะ่ะ อ, อย่างเช่นที่ท่านทั้งหลายกําลังฟังอยู่ในขณะนี้ใช่ไหมคะใช่เป็นอาสาวกผู้สดับแล้วอ๋อค่ะก็คือว่าสําหรับถ้าคนที่ไม่เคยฟังก็จึงไม่รู้ธรรมถ้าดิฉันจะแปลอย่างนี้ได้ไหมคะถูกต้องถูกต้องนะคะมันต้องคนที่รู้ก็แปลว่าถ้าไม่ฟังเนี่ยจะขาดโอกาสในการรู้ธรรมที่ถูกต้อง ทำ<ล>ให้ถูกต้องทำให้ไม่รู้วิธีที่จะปฏิบัติจิตตภาวนานะคะทีนี้จิตตภาวนาของท่านเนี่ยเมื่อสักครู่เนี่ยถ้าหากฟังรวมๆเร็วๆเอาจจะเข้าใจว่าแค่เพียงที่ตระหนักรู้ละนะคะแล้วก็สดับละแล้วก็เลยเกิดความคิดที่จะอทำในสิ่งที่เป็นจิตตะภาวนาแต่ยังไม่ได้อธิบายก็ดูเหมือนกับว่ามันปรากฏขึ้นเองก็ได้ถ้าฟังเร็วๆ แต่จริงๆแล้วเนี่ยจิตตภาวนาเนี่ยเป็นการกระทําอย่างใดคะอ๋อคือการที่เราทําจิตให้บริสุทธิ์คือหมายความว่าการที่เรามีสตินั่นไงคุณง่ายๆคะ่ะคือถ้าเรามีสติชื่อว่าทําจิตตภาวนาแล้วอ๋อเหรอคะอืมไม่ต้องนั่งขัดสมาธิเอ่อการนั่นคือเป็นการปฏิบัติที่เป็นรูปแบบค่ะนะทีนี้ว่าเราอยู่ปกติในที่ทํางานของเราเรามีสติ น, นั่นชื่อว่าทําจิตตภาวนาล้นะคะ การจะทําให้จิตประพัดสอนก็เพียงแต่ให้มีสติเอ่อจะทําให้จิตประภัดสอนจะทําให้มีเอ่อจะเกิดเป็นผลเกิดจากการที่จิตมีสติถูกต้องนะสติเป็นที่แล่นไปสู่วิมุตติอาจารย์บอกงนี้ค่ะแล้เพราะฉะนั้นถ้าเรามีสติแล้ ว, ลวเราจะแล่นไปสู่ที่ที่มีความประภัดสอนได้แล้วกิเลสจะใจไกลาจากเราได้ค่ะท่านคะทีนี้ท่านลงละเอียดอีกนิดหนึ่งดีไหมครับเพราะาบางคนการจะบอกไอ้ทุกวันนี้ก็มีสติอยู่แล้วนันเนี่ยเงินหาทองนี่จะใช้สติในการหานะคะสามารถสติไหมอ่า สมาสติทวนไม่ได้สัมมาสติที่ท่านว่าเป็นอย่างไรคะสัมมาสติพระเจ้าพูดถึงการระลึกถึงนะฐานที่ตั้งแห่งการระลึกถึงมีอยู่4อย่างก็คือใช้กายเป็นฐานที่ตั้งแห่งการระลึกถึงก็ได้และใช้เวทนาจิตหรือธรรมเป็นฐานที่ตั้งแห่งการระลึกถึงนะระลึกถึงนี่คือหมายความว่าสมมติเราจิตวุ่นวี่วุ่นวายอยู่นะคิดเรื่องการพยาบาตเบียดเบียนคิดเรื่องคนนั่นคนนี้คนนี้ทำไมมันเป็นอย่างนี้ทําไมบ้านเมืองเป็นอย่างนี้อันนี้คุณจิตคุณไม่ดีแล้วนะ เพราะเราต้องเอาแทนที่เราจิตไปคิดเรื่องบ้าบอนี่ให้มันมีฐานที่ตั้งในการระลึกถึงซะมันจะได้มีวิ่งไปที่นุนที่นี่พระเจ้าจึงให้อุบายไว้4อย่างนะใช้กายเราก็ได้ใช้กายของเราเป็นฐานที่ตั้งในการระลึกถึงได้กายในที่นี้คือพระเจ้าพูดถึงลมหายใจก็ได้ใช้กระดูกก็ได้ใช้อวัยวะต่างๆก็ได้เป็นฐานที่ตั้งในการระลึกถึงได้ทั้งนั้นใช้ความรู้สึกที่เกิดขึ้นก็ได้ในสิงของเราใแทนที่จะให้จิตของเรามันไหลไปตามที่นุนที่นี่ให้มีความรู้สึกให้มีสติโย ่อน ะ, ะถามว่านี่คือหลักการนะแล้ววิธีปฏิบัติทำยังไงนั่นก็คือคลหมหายใจนั่นแหละวิธีปฏิบัติก็คือลหมหายใจนะให้จิตของเราอยู่กับลงหมหายใจก็ชื่อว่าจิตของเราไม่วุ่นมีบุญบายฟุ้งซ่านไปตามสิ่งนั้นละค่ะคือสติในที่นี้ไดเป็นการสำรวมอินทรีย์ของเราให้อยู่กับที่ที่ควรอยู่ใชส่สติเนี่ยจะเป็นอาหารของการสารวมอินทรีย์ เพราะวันนี้ทา่ทานพูดว่าอาหารหมายความว่าอย่างไรนะคะทีฉันก็ค่อยแม่นยำเทะะ่าไหร่อาหารนี่หมายถึงทําให้มันโตขึ้นทําให้มันแข็งแรงขึ้นนะเพราะฉะนั้นพอเรามีสติแล้วเราก็มีการสัมรูปอินทรีย์ใช่ไหมพอเรามีการสรํารวมอินทรีย์แล้วเราจะมีการการสรํารวมอินทรีย์เนี่ยจะเป็นอาหารของการทําดีพูดดีคิดดีนะพอมีการพูดดีคิดดีทําดีนะมันโตขึ้นใช่ไหมมันใหญ่ขึ้นเพราะาการที่เรามีการสรํารวมอินทรีย์การพูดดีคิดดีทําดีเนี่ยจะทําให้พวกนิวร์เนี่ยมันดับไปออืม อย่างนี้นะเพราะนิวัณดับไปแล้วอวิชามันก็โตขึ้นไม่ได้แล้วฟังดูแบบนี้ก็พอทำได้เหมือนกันนะครับเนี่ยไม่ยากไงคุณโยมผิว <c oughs> บางคนเลยคิดว่าทางไปมะพร้านิพพานมันง่ายขนาดนี้เลยเหรอก็จะต้องบอกว่าไม่ยากค่ะท่านม่บูญค่ะทีนี้เมื่อท่านได้พูดถึงประเด็นที่สี่ที่บอกว่า เ, าเวลาที่ไปเจอคนที่ไม่ดี ตอนแรกท่านพูดถึงว่าให้พัฒนาจิตของเราใช่แต่ทีฉันไปแย้งท่านก็เลยแตกไปประเด็นอื่นที่ท่านพูดเท่านี้นะคะคือเอาเฉพาะที่ท่านพูด เ, เจอคนไม่ดีให้พัฒนาจิตของเราเพูดถึงท่านลำพังพัฒนาจิตของเราจะแก้ปัญหาคนอื่นไม่ดีได้หรอคะออคืออย่างนี้ก่อนเราเจอคนไม่ดีเนี่ยถามว่าอันนี้เป็นกิเลสที่จอดมาไหม เ, ออเป็นนะเพราะว่ามันทาให้จิตเราไม่สบายใจ พอมันทําให้จิตรเราไม่สบายใจเนี่ยอันนีเน้เป็นเป็นอุปกิเลสที่จะเกิดขึ้นในจิตของเราแล้วนะเพราะนั้นพุทธเจ้าบอกให้ทําไงนะให้ทําจิตตภาวนานะเพื่ออะไรเพื่อไมใ่ให้อีกิเลสมันมากวนใจเรานะนี่คือกรณีที่เราเจอคนไม่ดีอันนี้เราต้องทําอย่างนี้เราต้องทำจิตตภาวนาของเราเพื่อไม่ให้อีความกวนเนี้ยมันมากระเทือนใจเราให้เราเป็นจิตผักพลศร อ, อยู่นะทีนี้ถามว่าไอ้ถามว่าเราจะช่วยคนอื่นได้ไหมจิตตภาวนานี่ทําให้กันไม่ได้นะคือหมายความว่า อย่างพระพุทธเจ้านั่งสมาธิอาขอแบ่งสมาธิให้คนอื่นมั น, มนไม่ได้นะเพราะงั้นงคงแบ่งให้พระเทวทัศนไปแล้วค่ะเอแต่แต่มันไม่ได้ทําให้เรได้อย่างนั้นเราอาจจะจับเขานั่งจับเขาเดินจับเขาพลิกไปพลิกมาได้แต่จิตมันจับไม่ได้นะค่ะและเนี่ยค่ะจึงเกิดข้อสงสัยไงคะว่าที่ท่านพูดว่าถ้าเห็นคนไม่ดีเนี่ยให้เรามาพิจารณาพัฒนาจิตของเราใช่ ทำแล้วไปแก้ที่เขาซึ่งเป็นคนไม่ดีได้หรือคะเราไม่ได้แก้ที่เขานะค่ะ อ, อที่ประเด็นที่ว่าให้พัฒนาจิตของเราเนี่ยเพื่อที่เราจะได้มีใจที่สบายถามว่ามีใจที่สบายแล้วช่วยเขายังไงช่วยคนนั้นยังไงคนนั้นเขาจะไม่ได้รับการเบียดเบียนจากเราอพอคนนั้นไม่ได้รับการเบียดเบียนจากเราเนี่ยเขาก็ยังสบายนะเราช่วยเหลือเขาแล้วนะค่ะอืเขาไม่ได้รับการเบียดเบียนจากเราแล้วเขาจะดีขึ้นไหมคท่านคะ เขาไม่ได้รับการเบียดเบียนจากเราแล้วเขาจะดีขึ้นไหมอย่างน้อยเขาก็ยังสบายใจที่เขาไม่ได้รับการเบียดเบียนจากเรานะจิตเขาก็ยังดีอยู่ตอนนั้นถูกไหมอ่าถ้าถ้าเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยก็ชื่อว่าเป็นผู้ที่ไกลาจากกิเลสละในเรื่องของกิเลสตัวนั้นๆนั้นๆ น, น, น, น, นะค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราเราพูดถึงกรณีที่ว่าเอ้เราจะช่วยคนอื่นยังไงในกรณีที่เขาเป็นคนไม่ดีอ่าเราก็อนุเคราะห์เขาในการที่ไม่เบียดเบียนนะมีเมตตาจิตรักใคร่เอ็นดู แล้วก็เป็นผู้ที่อด ท, ทนอดทนออดทนเนี่ยเขาก็จะได้รับอุปการะจากเรามากแล้วอดท น, ทนได้รับเมตตาจากเราเขาก็ได้รับสิ่งที่ดีๆจากเราแล้วดังนั้นก็เท่ากับว่าท่านกำลังจะบอกว่าในสังคมนี้ที่เราอยู่ร่วมกันกับคนที่คิดดีพูดดีทำดีและคนที่ยังไม่รู้ ก็ยังคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีอยู่แต่เราจะอยู่ร่วมกันอย่างร่มเย็นเป็นสุขได้ถ้าหากว่าเรารู้จักที่จะเจริญจิตของเราพัฒนาจิตของเราและอดทนต่อเขาใช่รักใคร่เขาไม่เบียดเบียนเขามีเมตตาจิตต่อเขาใช่ทีนี้ถ้าเราจะอุปการะเขาก็คืออุปการะให้เขามาทำจิตตภาวนาอันนี้จะดีมากเลย คือไปบอกเขาเลยใช่ไหมคะว่าให้มีสติอยู่กับสิ่งดีๆมันมันก็เป็นกระบวนการคุณยมติวคือหมายความว่าเอกระบวนการที่พูดถึงมีสติเนี่ยนะมันก็ไล่มาตั้งแต่ให้ทานรักษาศีลอันนี้ก็ไล่มาด้วยแล้วนะเพราะถ้าเขายังไม่รู้จักให้ทานเรากรู้จักให้มีจารคาา้าเขาไม่มีศรัทธาเราก็รู้จักให้เขามีศรัทธาเขายังไม่มีศีลเราก็ให้เขารู้จักมีการมีศีลพวกนี้ต้องใช้สติทางนั้นเลยออืมคือที่พูดถึงสติสติเนี่ยนะคุณยมติว๋วอย่า เ, เรื่องที่ว่าเรามานั่งสมาธิหลับตานี่ก็ส่วนหนึ่งนะแล้วก็เรื่องที่เราอยู่ในชีวิตประจวาวันเราไม่ด่าใครไม่ว่าใครเรารู้สักให้การรักษาสิ่นี้ก็ใช้สติทั้งนั้นเลยค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เราเข้าใจอย่างทองแท้มากขึ้นในการที่จะรักษาตัวเราเองด้วยให้เป็นคนที่ดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ทุกวันคือเป็นผู้ไกลจากกิเลสใช่อย่างนั้นนะคะถูกต้องแล้วก็ด้วยการทาจิตตภาวนา แล้วก็ช่วยให้คนที่เขายังเป็นผู้ไกลจากกิเลสเนี่ยได้พัฒนาตัวเองไปในทางที่ดีขึ้นด้วยการมาแก้ที่ตัวเราอืมไม่ไปเบียดเบียนเขารักเขาเมตตาจิตต่อเขาอดทนต่อเขาอืมถูกต้องนะคะแล้วก็ช่วยให้เขาได้เจริญจิตภาวนาอืมค่ะวันนี้ก็สมควรแก่เวลาอีกแล้วเช่นกันนะคะเชื่อว่าเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังมากทีเดียวก่ะท่านพิบุญค่ะ yeah. กล่าวเมื่การขอบพระคุณท่านนะคะส่วนท่านจะตามไปเจริญจิตภาวนาเป็นเรื่องเป็นราวเป็นร่ำเป็นสรรไปหัดหยุดพูดกันนู่นเลยคะ่ะหลีกเล่นที่วัดป่าดอนหายโศกอุดรธานีที่ท่านไปบุญอยู่วันนี้รายการสรัมมีสนทนานะคะดิฉันเองเนี่ยเป็นคนที่เวลาฟังพุทธวจนะท่านสังเกตเวลาท่านไปบุญอ่านในตอนต้นเนี่ยนะเป็นลีลาที่เหมือนกับท่านอ่านขณะที่นํา ผู้ปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงพุทวธชนะไปพร้อมๆกับการปฏิบัติด้วยคือได้สดับไปด้วยนะคะก็จะฟังแล้วทราบซึ้งฟังแล้วฟังอีกก็รู้สึกว่ารา่าเริงในธรรมค่ะวันนี้ใครอยากได้ไปอ่านบทไหนก็มีค่าแบบเดียวกันเลยเพราะเป็นคำอันสูงสุดของพระศาสดาของเราพระพุทธองค์นะคะก็ติดต่อมาที่0 2 2 6 9สสสถานีวิทยุครอบครัวข่าว พระอาจารย์คือกรีฑาธิปโลท่านเจ้าวาดวานาปภพงที่พระมารชาคัมโดในตอนต้นของรายการจำวัดอยู่เนี่ยนะคะก็มอบให้กับพวกเรามาวันนี้พุทธวัตรตีค่ะ